โมจนะคาถาว่าด้วยคาถาที่ทําให้เหงื่อแตกหนึ่งอวิปปวาสะปัญหาปัญหาว่าด้วยการไม่อยู่ปราดภิกษุทั้งหลายไม่อยู่ร่วมกับภิกษุณีทั้งหลายความสนิทชิดเชื้อบางอย่างในบุคคลนั้นทําไม่ได้เพราะไม่อยู่ปราดไม่ต้องอาบัดปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วครุพันที่ไม่พึงสละไม่พึงแจก อันพระผู้มีพระภาคผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ตรัสไว้ห้าหมวดภิกษุผู้ชละใช้สอยไม่ต้องอาบัดปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิด ก, กันแล้วเขาพระเจ้าไม่กล่าวถึงบุคคลสิบจำพวกบุคคลที่พึงเว้นสิอ็ดจำพวกภิกษุว่ายผู้แก่กว่าต้องอาบัดปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิด ก, กันแล้วภิกษุไม่ถูกสงลงโอเคปนิยกรรม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 ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาทั้งหลายคิด ก, กันแล้วข้าพเจ้าไม่กล่าวถึงอวัยวะเหนือบริเวณราบขวัญขึ้นไปเว้นอวัยวะบริเวณใต้เดือลงมาภิกษุพึงเป็นประชิกเพราะเมถุนทำเป็นปัจจัยได้อย่างไรปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาทั้งหลายคิด ก, กันแล้วภิกษุสร้างคูดีด้วยการขอเอาเองไม่ได้ให้สงแสดงพื้นที่เกินขนาดซึ่งเป็นพื้นที่มีอันตราย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 แต่ต้องอาบัตหนักซึ่งเป็นมูลแห่งการตัดขาดปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาทั้งหลายคิดกันแล้วซาปุรุษไม่ทําความชั่ว อ, อะไรทางกายทางวาจาและแม้ทางใจถูกสงนาสนะแล้วชื่อว่าถูกนาสนะด้วยดีเพราะเหตุไรปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุไม่เจรจากับมนุษย์ไร่ได้วยวาจาและไม่กล่าวถ้อยคํากับผู้อื่น ต้องอาบัติทางวาจาไม่ต้องอาบัติทางกายปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วสิกขาบททั้งหลายอันพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพานานาไว้แล้วสังฆาทิเศษสี่สิกขาบทภิกษุณีต้องทั้งหมดด้วยความพยายามครั้งเดียวกันปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุณีสอรูปอุปสมบทแต่สงฝ่ายเดียว ภิกษุรับจีวรจากมือของภิกษุณีสองรูปต้องอาบัตต่างกันปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิด ก, กันแล้วภิกษุสรูปชวนกันไปลักครุพันสามรูปต้องอาบัติปราชิกอีกหนึ่งรูปไม่ต้องอาบัติปราชิกปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิด ก, กันแล้ว 2. ปงปราชิกกาธิปัญหาปัญหาว่าด้วยอาบัติปราชิกเป็นต้น สตรีอยู่ข้างในและภิกษุอยู่ข้างนอกช่องในเรือนนั้นก็ไม่มีภิกษุจะพึงต้องอาบัตปรารชิกเพราะเมถุนธรรมเป็นปัจจัยได้อย่างไรปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วเมื่อภิกษุรับประเค้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและเนยใสยด้วยตนเองแล้วเก็บไว้เมื่อยังไม่ล่วงเจ็ดวันเมื่อปัจจัยมีอยู่จึงฉันต้องอาบัตปัญหาข้อนี้ ท่านผู้ชลาทั้งหลายคิดกันแล้วอาบัตินิสกิยปาจิตตีอาบัตสุทิกะปาจิตตีภิกษุต้องพร้อมกันปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุยี่สิปรูปมาประชุมกันสําคัญว่าพร้อมเพรียงจึงทํากรรมภิกษุอยู่ไกลสิบสองโยตพึงยังกรรมนั้นให้เสียได้เพราะการแบ่งพวกเป็นปัจจัยปัญหาข้อนี้ ท่านผู้ฉลาทั้งหลายคิด ก, กันแล้วภิกษุต้องครุกาบัตที่ทําคืนได้ทั้งหมด64คราวเดียวกันด้วยอาการเพียงย่างเท้าและด้วยกล่าววาจาปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาทั้งหลายคิด ก, กันแล้วภิกษุน์นุ่งผ้าอันตรวาศกโหมผ้าสังาติสองชั้นผ้าทั้งหมดนั้นเป็นนิสักคีปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาทั้งหลายคิด ก, กันแล้วยัตติก็ไม่รีสวด กรรมวาจาก็ไม่ได้สวดพระชินเจ้าก็ไม่ได้รับสั่งว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดไตรสรนคมเขาก็ไม่ได้รับแต่อุปสัมพทากรรมของบุคคลนั้นไม่เสียปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วบุคคลผู้โง่เขลาฆ่าสตรีซึ่งมิใช่มารดาและฆ่าบุรุษซึ่งมิใช่บิดาฆ่าบุคคลผู้มิใช่อริยะแต่ต้องอนันตริยกรรมเพราะโทษนั้น ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ชลาทั้งหลายคิด ก, กันแล้วบุคคลผู้โง่เขลาฆ่าสตรีผู้เป็นมารดาและฆ่าบุรุษผู้เป็นบิดาครั้นฆ่ามารดาบิดาแล้วไม่ต้องอนันตริยกรรมพระโทษนั้นปัญหาข้อนี้ท่านผู้ชลาทั้งหลายคิด ก, กันแล้วภิกษุไม่โจทย์ไม่สอบถามแล้วทำกรรมแก่บุคคลผู้อยู่รับหลังและกรรมที่ทาแล้วเป็นอันทำชอบแล้ว ทั้งการรกสงก็ไม่ต้องอาบัตปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุโจดสอบสวนแล้วพึงทำกรรมแก่บุคคลผู้อยู่ต่อหน้าและกรรมที่ทำแล้วไม่เป็นอันธรรมทั้งการกสงก็ต้องอาบัตปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุตัดต้องอาบัตก็มีไม่ต้องอาบัตก็มีภิษุปกปิดต้องอาบัตก็มี ไม่ต้องอาบัตก็มีปัญหาข้อนี้ท่านผู้ชลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุพูดจริงต้องอาบัตหนักผู้เท็จ ต, ต้องอาบัตเบาผู้เท็จต้องอาบัตหนักและผู้จริงต้องอาบัตเบาปัญหาข้อนี้ท่านผู้ชลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว 3. าปาจิตตียทิปัญหาปัญหาว่าด้วยอาบัตปาจิตตีเป็นต้น ภิกษุใช้สอยจีวรที่อธิษฐานแล้วย้อมด้วยน้ำย้อมแม้กับปะก็ทำแล้วยังต้องอาบัดปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วเมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้วภิกษุชันเนื้อไม่ใช่ผู้วิกลจริตไม่ใช่ผู้มีจิตฟุ้งซ่านและไม่ใช่ผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนาแต่ไม่ต้องอาบัดและทาข้อนั้นพระสุโคตทรงแสดงไว้แล้วปัญหาข้อนี้ ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุไม่ใช่ผู้มีจิต ก, กำหนัดไม่ใช่ผู้มีจิตคิดจะลักและแม้ผู้อื่นภิกษุนั้นก็ไม่ได้คิดจะฆ่าความขาดย่อมมีแก่ภิกษุนั้นผู้ให้สลากเมื่อภิกษุจับต้องอาบัติถุนละใจปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วไม่ใช่เสนาสะนะป่าที่รู้กันว่าหน้าหวาดระแวงและไม่ใช่สงให้สมมติ ทั้งกะถินภิกษุนั้นก็ไม่ได้กรานภิกษุนั้นเก็บจีวรไว้ณที่นั้นเองแล้วไปไกลถึงเครื่งโยดเมื่ออรุณขึ้นไม่ต้องอาบัดในเรื่องนั้นนั่นแลปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วอาบัดทั้งมวลที่เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางวาจามีวัตถุต่างกันภิกษุต้องในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังปัญหาข้อนี้ ท่านผู้ชลาทั้งหลายคิดกันแล้วอาบาต ท, ทั้งมวลที่เกิดทางวาจาไม่เที่เกิดทางกายมีวัตถุต่างกันภิกษุต้องในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาทั้งหลายคิดกันแล้วไม่มีการเสษเมทุนธรรมในสตรีสามจำพวกบุรุษสามจำพวกคนไม่ประเสริฐสามจำพวกและบันเดาะสามจำพวก และไม่มีการเสดเมถุนธรรมในอวัยวะที่ปรากฏแต่มีมูลแห่งการตัดขาดเพราะเมถุนธรรมเป็นปัจจัยปัญหาข้อนี้ท่านผู้ชลาทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุขอจีวรกับมารดาและไม่ได้น้อมล่าไปเพื่อสงฆ์เพราะเหตุไรภิกษุนั้นจึงต้องอาบัติแต่ไม่ต้องอาบัติเพราะบุคคลผู้เป็นญาติปัญหาข้อนี้ท่านผู้ชลาทั้งหลายคิดกันแล้ว ผู้กโกรธย่อมไม่สงยินดีผู้กโกรธย่อมถูกสงติเตียนก็ทำที่เป็นเหตุให้สงสรรเสริญผู้กโกรธนั้นชื่ออะไรปัญหาข้อนี้ท่านผู้ชลาทั้งหลายคิดกันแล้วผู้แช่มชื่นย่อมไม่สงยินดีผู้แช่มชื่นย่อมถูกสงติเตียนก็ทำที่เป็นเหตุให้สงติเตียนผู้แช่มชื่นนั้นชื่ออะไรปัญหาข้อนี้ท่านผู้ชลาทั้งหลายคิดกันแล้ว ภิกษุต้องอาบัต ส, สังฆาทิเศษทุนละใจปาจิตตีปาติเทสนิยะและทุกกฎในขณะเดียวกันปัญหาข้อนี้ท่านผู้ชลาทั้งหลายคิดกันแล้วทั้งสองมีอายุครบ20สปีทั้งสองมีพระอุปชารูปเดียวกันมีอาจารย์รูปเดียวกันส่วนกรรมวาจาเดียวกันคนหนึ่งเป็นอุปสัมบัญคนหนึ่งเป็นอนุปสัมบัญปัญหาข้อนี้ ท่านผู้ชลาทั้งหลายคิด ก, กันแล้วผ้าที่ไม่ได้ทำกับปะและไม่ได้ย้อมด้วยน้ำย้อมภิกษุนุ่งห่มเดินทางไปตามปรารถนาและภิกษุนั้นไม่ต้องอาบัตทำนั้นพระสุคตส่งแสดงแล้วปัญหาข้อนี้ท่านผู้ชลาทั้งหลายคิด ก, กันแล้วภิกษุนี้ไม่ให้ไม่รับการรับไม่มีด้วยเหตุนั้นแต่ต้องอาบัตหนักไม่ต้องอาบัตเบาและต้องอาบัตนั้น เพราะการใช้สอยเป็นปัจจัยปัญหาข้อนี้ท่านผู้ชลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุนีไม่ให้ไม่รับการรับไม่มีด้วยเหตุนั้นแต่ต้องอาบัตเบาไม่ต้องอาบัตหนักและต้องอาบัตนั้นเพราะการใช้สอยเป็นปัจจัยปัญหาข้อนี้ท่านผู้ชลาดทั้งหลายคิดกันแล้วพิกษุนีต้องอาบัตหนักมีส่วนเหลือปกปิดไว้เพราะอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ ผู้ไม่ใช่ภิกษุณีก็ไม่ต้องโทษปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วเสทโมจนะคาถาจบหัวข้อประจำเรื่องไม่อยู่ร่วมกันไม่สละบุคคลสิบจำพวกไม่ถูกสงลงออเคปนิยกรรมเข้าถึงธรรมอวัยวะเหนือบริเวณรากขวัญจากนั้นสร้างกุดีด้วยการขอเอาเองสองสึกาบท ไม่พยายามทางกายแต่ต้องอาบัดหนักไม่ทำความชั่วทางกายแต่ถูกสงนาสนะชอบแล้วไม่เจรจาสิกขาบทชนสองคนและชนสี่คนสตรีน้ำมันนิสสคีภิกษุก้าวเท้าเดินนุ่งผ้าไม่สวดยติฆ่าสตรีไม่ใช่มารดาค่าบุรุษไม่ใช่บิดาไม่โจ์โจ์ตัดผู้จริงผ้าที่อธิษฐาน พระอาทิตย์อสดงคดแล้วไม่กำนัดมิใช่เสนาสนะป่าอาบัตทางกายทางวาจาสตรีสามพวกมารดาโกรธแล้วให้ยินดีแช่มชื่นต้องสังคาทิเศษสองคนผ้าไม่ได้ทำกับปะไม่ให้ต้องอาบัตหนักคาถาที่คิดจนเหงื่อไหลเป็นปัญหาที่ท่านผู้รู้ได้ชี้แจงไว้แล้วแล จะวักว่าด้วยหมวดห้าหมวด 1. กรรมวักหมวดว่าด้วยเรื่องกรรมกรรม4กรรมสังกกรรมสี่อย่างคือหนึ่งอปโลกะนกรรม 2. องยติกกรรม 3. ามยติทุติยกรรม 4. ี่ยติจตุตกกรรมถามกรรมสี่อย่างนี้ย่อมวิบัติโดยอาการเท่าไหร่ตอบกรรมสี่อย่างนี้ ย่อมวิบัติโดยอาการ5้าอย่างคือ 1. โดยวัตถุ2โดยยาติ 3. โดยอนุสาวนา4โดยสีมา5โดยบริษัทวัตถุวิบัติถามกรรมย่อมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุอย่างไรตอบกรรมย่อมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุอย่างนี้คือกรรมที่ควรทําพร้อมหน้าแต่สงทําลับหลัง กรรมไม่ชอบทำชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุกรรมที่ควรสอบถามก่อนทำแต่สงไม่สอบถามก่อนทำกรรมไม่ชอบธทำชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุกรรมที่ควรทําตามปฏิญญาแต่สงไม่ทําตามปฏิญญากรรมไม่ชอบธทำชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงให้อโมลห่าวิไนแก่ภิกษุผู้ควรสติวิไนกรรมไม่ชอบธทมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุ สงฆ์ธรรมตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูลหะวินัยกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงฆ์ธรรมตัชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงฆ์ธรรมนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัชนิยกรรมกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุ สงฆ์ธรรมปปาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงฆ์ธรรมปฏิสารณิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปปพาชนียกรรมกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงฆ์ธรรมโอเขปนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรมกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงฆ์ให้ปริวาแก่ภิกษุผู้ควรโอเขปนิยกรรม กรรมไม่ชอบธทมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงฆ์ชักภิกษุผู้ควรปริวาเข้าหาอาบัติเดิมกรรมไม่ชอบทมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงฆ์ให้มานัดแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมกรรมไม่ชอบทมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงฆ์อภรพภิกษุผู้ควรมานัดกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงฆ์ให้ภิกษุผู้ควรอภานอุปสมบท กรรมไม่ชอบทำช <passe. S 1> ื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงฆ์ทำอุโบสถในวันมิใช่วันอุโบสถกรรมไม่ชอบรำชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงฆ์ปวารณาในวันมิใช่วันปวารณากรรมไม่ชอบทำชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุอย่างนี้กรรมย่อมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุยติวิบัติถามกรรมย่อมวิบัติโดยยติอย่างไรตอบ กรรมย่อมวิบัติโดยยติด้วยอาการ5อย่างคือ 1. ไม่ระบุวัตถุ 2. ไม่ระบุสงฆ์ 3. ไม่ระบุบุคคล 4. ไม่ระบุยติ 5. ตั้งยติภายหลังกรรมย่อมวิบัติโดยยติด้วยอาการ5อย่างนี้อนุสาวนาวิบัติถามกรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนาอย่างไรตอบ กรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนาด้วยอาการ5อย่างคือ 1. ไม่ระบุวัตถุ 2. ไม่ระบุสงฆ์ 3. ไม่ระบุบุคคล 4. ทิ้งวาจาประกาศ 5. ้าสวดในการไม่ควรกรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนาด้วยอาการ5้าอย่างนี้สีมาวิบัติถามกรรมย่อมวิบัติโดยสีมาอย่างไรตอบ กรรมย่อมวิบัติโดยสีมาด้วยอาการ11อย่างคือ 1. ่สมมติสีมาเล็กเปิน 2. สมมติสีมาใหญ่เกินสมสมมติสีมามีนิมิตขาด 4. สมมติสีมาใช้เงาเป็นนิมิต 5. สมมติสีมาไม่มีนิมิต 6. ภิกษุอยู่ภายนอกสีมาสมมติสีมา 7. สมมติสีมาในแม่น้ำ 8. สมมติสีมาในทะเลเ้าสมมติสีมาในสะเกิดเองสิบคาบเกี่ยวสีมาด้วยสีมาสิบเอ็ดทับสีมาด้วยสีมากรรมย่อมวิบัติโดยสีมาด้วยอาการสิบเอ็ดอย่างนี้บริษัทวิบัติถามกรรมย่อมวิบัติโดยบริษัทอย่างไรตอบกรรมย่อมวิบัติโดยบริษัทด้วยอาการสิบสองอย่างคือหนึ่ง ในกรรมที่สงจตุวคพึงธรรมภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรมมีจํานวนเท่าไร่ที่ยังไม่มาไม่นําฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาภิกษุพร้อมเพรียงกันคัดค้าน 2. ในกรรมที่สงจตุวคพึงธรรมภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรมมีจํานวนเท่าไหร่ที่มาแล้วแต่ไม่นําฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาพิกษุพร้อมเพรียงกันคัดค้าน 3. ในกรรมที่สงจตุวคพึงธร<ๆ>รม ภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรมมีจํานวนเท่าไร่ที่มาแล้วนําฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาแต่ภิกษุพร้อมเพียงกันคัดค้าน 4. ในกรรมที่สงปัญจวัคพึงธรรมละถึง 5. ในกรรมที่สงปัญจวัคพึงธรรมหในกรรมที่สงปัญจวัคพึงธรรมเในกรรมที่สงทัศวัคพึงธรรม 8. ในกรรมที่สงทัศวัคพึงธรรม เในกรรมที e ่สงทศวรรพึงธรรม 10. ในกรรมที่สงวีสติวรรพึงธรรมภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรมมีจํานวนเท่าไหร่ที่ยังไม่มาไม่นําฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาภิกษุพร้อมเพลียงกันคัดค้าน 11. ในกรรมที่สงวีสติวรรพึงธรรมภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรมมีจํานวนเท่าไหร่ที่มาแล้วแต่ไม่นําฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา ภิกษุพร้อมเพรียงกันคัดค้าน 12. ในกรรมที่สงวีสติวัคพึงธรรมภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรมมีจำนวนเท่าไรที่มาแล้วนำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาแต่ภิกษุพร้อมเพรียงกันคัดค้านกรรมย่อมวิบัติโดยบริษัทด้วยอาการสองอย่างนี้กรรมอันสงจตุวัคพึงธรรมเป็นต้นในกรรมที่สงจตุวัคพึงธรรม ภิกษุประกาัตตะสี่รูปเป็นผู้เข้ากรรมประกาศตตะที่เหลือเป็นผู้ควรฉันทะภิกษุรูปที่สงทำกรรมนั้นไม่ใช่เป็นผู้เข้ากรรมและไม่ควรฉันทะแต่เป็นผู้ควรแก่กรรมในกรรมที่สงปัญ จ, จวัคพึงทำภิกษุประกาัตตะห้ารูปเป็นผู้เข้ากรรมประกาศตตะที่เหลือเป็นผู้ควรฉันทะภิกษุรูปที่สงทำกรรมนั้นไม่ใช่ผู้เข้ากรรมและไม่ควรฉันทะ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 ภิกษุรูปที่สงธรรมกรรมนั้นไม่ใช่เป็นผู้เข้ากรรมและไม่ควรฉันทะแต่เป็นผู้ควรแก่กรรมกรรม4กรรมสี่อย่างคือ 1. อปโลกณกรรม 2. ยงญาติกรรม 3. ยาติทุติยกรรม 4. ยญาติจัตุทกรรมถามกรรมสี่อย่างนี้ย่อมวิบัติโดยอาการเท่าไหร่ตอบกรรมสี่อย่างนี้ ย่อมวิปัสสดยอาการห้าอย่างคือ1โดยวัตถุ 2. โดยยติ 3. โดยอนุสาวนา 4. โดยสีมา 5. โดยบริษัทวัตถุวิปัสถามกรรมย่อมชื่อว่าวิปัสโดยวัตถุอย่างไรตอบกรรมย่อมชื่อว่าวิปัสโดยวัตถุอย่างนี้คือสงให้บรรดา อ, อุปสมบทกรรมไม่ชอบทำชื่อว่าวิปัสโดยวัตถุ ทรงให้คนไถยสังวาสอุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุทรงให้คนผู้เข้ารีดเดรัีฉ really ์อุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุทรงให้สัตว์เดรัจฉานอุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุทรงให้คนผู้ฆ่ามารดาอุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุทรงให้คนผู้ฆ่าบิดาอุปสมบท กรรมไม่ชอบรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุทรงให้คนผู้ฆ่าพระอรหันต์อุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวดัตถุทรงให้คนผู้ประทุษร้ายภิกษุณีอุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวดัตถุทรงให้คนผู้ทำลายสงฆ์อุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุทรงให้คนผู้ยังพระโลหิตหอ่ออุปสมบท กรรมไม่ชอบทำชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงให้คนสงเพศอุปสมบทกรรมไม่ชอบทำชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงให้คนมีอายุไม่ถึงยี่สิบปีอุปสมบทกรรมไม่ชอบทำชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุอย่างนี้กรรมชื่อว่าย่อมวิบัติโดยวัตถุยาติวิบัติถามกรรมย่อมวิบัตโดยญาติอย่างไรตอบ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 คาบเกี่ยวสีมาด้วยสีมา11 –ทับสีมาด้วยสีมากรรมย่อมวิบัติโดยสีมาด้วยอาการ11ออย่างนี้บริษัทวิบัติถามกรรมย่อมวิบัติโดยบริษัทอย่างไรตอบกรรมย่อมวิบัติโดยบริษัทด้วยอาการส2องอย่างคือ 1. ในกรรมที่สงจตุวัคพึงทมภิกษุทั้งหลายที่เข้าร่วมกรรม ม, มีจานวนเท่าไรที่ยังไมมา ไม่นําฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาภิกษุพร้อมเพลียงกันคัดค้านสองในกรรมที่สงจตุ ว, วักพึงทมภิกษุทั้งหลายที่เข้าร่วมกรรมมีจํานวนเท่าไร่ที่มาแล้วแต่ไม่นําฉันทาของภิกษุผู้ควรฉันทะมาภิกษุพร้อมเพลียงกันคัดค้านสในกรรมที่สงจตุวักพึงธทมภิกษุทั้งหลายที่เข้าร่วมกรรมมีจํานวนเท่าไหร่ที่มาแล้ว นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาแต่ภิกษุพร้อมเพลียงกันคัดค้าน 4. ในกรรมที่สงปัญจวัคพึงธรรมละถึง 5. ในกรรมที่สงปัญจวัคพึงธรรม 6. ในกรรมที่สงปัญจวัคพึงธรรม 7. ในกรรมที่สงทัศวัคพึงธรรม 8. ในกรรมที่สงทัศวัคพึงธรรม 9. ในกรรมที่สงทัศวัคพึงธรรม สิ lla, ส judge, สในกรรมที่สงวีสติวักพึงธรรมภิกษุทั้งหลายที่เข้าร่วมกรรมมีจํานวนเท่าไหร่ที่ยังไม่มาไม่นําฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาภิกษุพร้อมเพรียงกันคัดค้าน 11. ในกรรมที่สงวีสติวักพึงธรรมภิกษุทั้งหลายที่เข้าร่วมกรรมมีจํานวนเท่าไรที่มาแล้วแต่ไม่นําฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาภิกษุพร้อมเพรียงกันคัดค้าน 12. ในกรรมที่สงวิสติวักพึงธรรมภิกษุทั้งหลายที่เข้าร่วมกรรมมีจำนวนเท่าไรที่มาแล้วนำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาแต่ภิกษุพร้อมเพียงกันคัดค้านกรรมย่อมวิบัติโดยบริษัทด้วยอาการส2องอย่างนี้อาปโลกณกรรมเป็นต้นถามอาปโลกณกรรมย่อมถึงฐานะเท่าไรยติกรรมย่อมถึงฐานะเท่าไร ยัติท exactly. ุติยกรรมย่อมถึงฐานะเท่าไรยัติเจตุตกรรมย่อมถึงฐานะเท่าไรตอบอัปโลกะณกรรมย่อมถึงฐานะห้าอย่างยัติกรรมย่อมถึงฐานะเก้าอย่างยัติทุติยกรรมย่อมถึงฐานะเจอย่างยัติจตุตกรรมย่อมถึงฐานะเจ็ดอย่างฐานะแห่งอัปโลกะณกรรมถามอัปโลกะณกรรมย่อมถึงฐานะห้าเหล่าไหน ตอบฐานะห้าเหล่านี้คือโอสารนานิสารนาพันธุกรรมพรหมทันทั้งกรรมลักษณะเป็นคํารบห้าอปโลกนกรรมย่อมถึงฐานะห้าเหล่านี้ฐานะแห่งยัติกรรมถามยัติกรรมย่อมถึงฐานะเก้าเหล่าไหนตอบฐานะเก้าเหล่านี้คือโอสารนานิสารนาอุโบสถปวารณาสมมติ การให้การรับการเลื่อนปวรณาออกไปทั้งกรรมลักษณะเป็นคํำรบ9้ายติกรรมย่อมถึงฐานะ9้าเหล่านี้ฐานะแห่งยติทุติยกรรมถามยติทุติยกรรมย่อมถึงฐานะเจ็ดเหล่าไหนตอบฐานะเจดเหล่านี้คือโอสารนานิสารนาสมมติการให้การถอนการแสดงทั้งกรรมลักษณะเป็นคํำรบเจ็ด ยัติทุติยกรรมย่อมถึงฐานะเจ็ดเหล่านี้ฐานะแห่งยัติจัตุทักรรมถามยัติจัตุทักรรมย่อมถึงฐานะเจ็ดเหล่าไหนตอบฐานะเจ็ดเหล่านี้คือโอสารนานิสารนาสมมติการให้นิคหะสมนุภาพทั้งกรรมลักษณะเป็นคำรบเจ็ดยัติจัตุทักกรรมย่อมถึงฐานะเจ็ดเหล่านี้ กรรมอันสงจตุวัคพึงธรรมเป็นต้นในกรรมที่สงจตุวัคพึงธรรมภิกษุประกตัตตะสี่รูปเป็นผู้เข้ากรรมประกาศตตะที่เหลือเป็นผู้ควรฉันทะภิกษุรูปที่สงทำกรรมนั้นไม่ใช่เป็นผู้เข้ากรรมและไม่ใช่เป็นผู้ควรฉันทะแต่เป็นผู้ควรแกร่กรรมในกรรมที่สง confronting confronting ปัญจวัคพึงธรรและถึงในกรรมที่สงทศวัคพรึงธรรม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 ทวัสวัคหมวดว่าด้วยอำนาจประโยชน์ทรงบัญญัติสิกขาบทพระตถ า, าคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ส า, าวกทั้งหลายโดยอาศรรัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อการยอมรับว่าดีแห่งพระ ส, สงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งพระสงฆ์พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศรรัยอำนาจประโยชน์สองประการ น, นี้พระตถาคต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 เพื่อกำจัดเวรทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตพระตถาคตทรงบัญญัติศึกขาบทแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการ น, นี้พระตถาคตทรงบัญญัติศึกขาบทแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อปิดกั้นโทษทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดโทษทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตพระตถาคต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 พระตถาคตทรงบัญญัติศสขาบทแกสาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อปิดกั้นอกุศลธรรมทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดอกุศลธรรมทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตพระตถาคตทรงบัญญัติศสขาบทแกสาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้พระตถาคตทรงบัญญัติศสขาบทแกสาวกทั้งหลาย โดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่ออนุเคราะห์ครหัตทั้งหลาย 2. เพื่อทําลายการแบ่งเป็นพักเป็นพวกของภิกษุผู้มีความปรารถนาเลวซามทั้งหลายพระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1.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 พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้อาถาวัตวักที่สองจบ 3. ปัญญตตวักหมวดว่าด้วยเรื่องที่ทรงบัญญตัต ทรงบัญญัติปาติโมกเป็นต้นพระทถาคตทรงบัญญัติปาติโมกแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการและถึงทรงบัญญัติปาติโมขุเทศทรงบัญญัติการงดปาติโมกทรงบัญญัติปวารณาทรงบัญญัติการงดปวารณาทรงบัญญัติตัชนิยกรรมทรงบัญญัตินิยสกรรมทรงบัญญัติปัพาชนิยกรรมทรงบัญญัติปฏิสารณิยกรรม ทรงบัญญัติโอเคปนิยกรรมทรงบัญญัติการให้ปริวาสทรงบัญญัติการชักเข้าหาอาบัติเดิมทรงบัญญัติการให้มานัดทรงบัญญัติอภานทรงบัญญัติโอสารณียกรรมทรงบัญญัตินิสารณียกรรมทรงบัญญัติการอุปสมบททรงบัญญัติอัปโลกนกรรมทรงบัญญัติยัตติกกรรมทรงบัญญัติยัตติทุติยกรรม ทรงบัญญัติยติจตุตักกรรมปัญญัตตวักที่สามจบสอปัญญาเตปัญญัตวักหมวดว่าด้วยทรงบัญญัติในเมื่อยังไม่ได้บัญญัติพระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทที่ยังไม่ได้บัญญัติทรงบัญญัติเพิ่มเติมสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วทรงบัญญัติสามุคขาวินัยทรงบัญญัติสติวินัยทรงบัญญัติอมูลหาวินัย ทรงบัญญัติปฏิญญาตะการณะทรงบัญญัติเยผู้ยัสกาทรงบัญญัติตาสปาปิยัศกาทรงบัญญัติตินนวัธารกะแก่สาวกทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อความยอมรับว่าดีแห่งสงสองเพื่อความผาสุกแห่งสง์พระตถาคตทรงบัญญัติตินนวัธารกะแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้ พระตถาคตทรงบัญญัติตินวัฒารกะแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อขมบุคคลผู้เก้อยาก 2. เพื่อความอยู่ผาสุขแข่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงามพระตถาคตทรงบัญญัติตินวัฒารกะแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้พระตถาคตทรงบัญญัติินวัารกะแก่สาวกทั้งหลาย โดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตพระตถาคตทรงบัญญัติตินวตาระกะแกสาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้พระตถาคตทรงบัญญัติตินวตารกะแกสาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1.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 พระตถาคตทรงบัญญัติตินวทารกะแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้พระตถาคตทรงบัญญัติตินวทารกะแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อปิดกั้นอกุิโสธรรมทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกําจัดอกุิโสตธรรมทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตพระตถาคตทรงบัญญัติตินวทารกะแก่สาวกทั้งหลาย โดย อ, ยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัฏารกะแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่ออนุเคราะห์ครหัตทั้งหลาย 2. เพื่อทําลายการแบ่งเป็นพักเป็นพวกของภิกษุผู้มีความปรารถนาเลวทามทั้งหลายพระตถาคตทรงบัญญัตินิวัฏารกะแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้ พระตถาคตทรงบัญญ enfin ัตินิวตารกะแกสาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อความเลื่อมใสของเหล่าชนที่ยังไม่เลื่อมใส 2. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของเหล่าชนที่เลื่อมใสแล้วพระตถาคตทรงบัญญัติติณวตารกะแกสาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตารกะแกสาวกทั้งหลาย โดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระัทธรรม 2. เพื่อเอื้อเฟือพระวินัยพระตถาคตทรงบัญญัตินวัตารกะแกสาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้อปันยเตปัญญตวักที่สจบ 5. นวะสังขหวักหมวดว่าด้วยสังขหก้าว สังคะหะเก้าอย่างสังคหะมีเก้าอย่างคือ 1. วัตถุสังคหะสองวิบัติสังคหะ 3. อาบัสสังคหะสนิทานสังคหะหปุคละสังคหะ 6. คขันธสังคหะ 7. สมุทฐานสังคหะ 8. อธิกรณะสังคหะ 9. สมถะสังคหะให้บอกเรื่อง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 ถ้าบริษัทมีอลัลชีมากสงพึงระ ง, งับด้วยอุปายกาถ้าบริษัทมีคนเลวมากสงพึงแสวงหาพระวินัยทอนอธิกรณ์นั้นจะระ ง, งับโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตุศาสตรใดสงพึงรับอธิกรณ์นั้นโดยอย่างนั้นพึงรู้วัตถุเป็นต้นพึงรู้วัตถุพึงรู้โคดพึงรู้ชื่อพึงรู้อาบัติคาว่าเมถุนธรรม เป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคตคำว่าปราชิกเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัตคำว th, soldier, Renee, 謝謝 i, ่าอธินนาทานเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคตคำว่าปราชิกเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัตคำว่ามนุษยวิหาเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคตคำว่าปราชิกเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัตคำว่าอุตริมนุสธรรมเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคต คำว่าปราชิกเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติคำว่าสุกรวิสัตถิเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคตคำว่าสังฆาทิเศตเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติคำว่ากายสังสักคะเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคตคำว่าสังฆาทิเศตเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติคำว่าทุตุนละวาจาเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคด คำว่าสังคารทิเศษเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติคำว่าอัตกรรมเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคดคำว่าสังคารทิเศษเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติคำว่าสัญจริตะเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคดคำว่าสังคารทิเศษเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติคำว่าให้สร้างกุดีด้วยการขอเอาเองเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคด คำว่าสังฆาทิเศตเป็นทั้งชื <outta> ่อเป็นทั้งอาบัตคำว่าให้สร้างวิหารใหญ่เป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคดคำว่าสังฆาทิเศตเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัตคำว่าตามกาจัดภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปราชิกอันไม่มีมูลเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคดคำว่าสังฆาทิเศตเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัตคำว่า อ้งเล่ดบางอย่างแห่งอธิกรณ์เรื่องอื่นแล้วตามกําจัดภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิกเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคดคําว่าสังฆาทิเศตเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติคําว่าภิกษุผู้ทําลายสงฆ์ไม่ยอมสละกรรมเพสสมราะการสวดสมานุภาพครบสามครั้งเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคดคําว่าสังฆาทิเศตเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติคําว่า ภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่ยอมสละกรรมเพราะการสวดสมนุภาพครบสามครั้งเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคดคำว่าสังฆาทิเศตเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัตคำว่าภิกษุผู้ว่ายากไม่ยอมสละกรรมเพราะการสวดสมนุภาพครบสามครั้งเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโคดคำว่าสังฆาทิเศตเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัติคำว่า ภิกษุผู้ประทุศรายสะกุลไม่ยอมสละกรรมเพราะการสวดสมนุภาพครบสามครั้งเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโครคำว่าสังฆาทิเศตเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัตคำว่าอาศัยความไม่สนใจถ่ายอุจระประสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งโครคำว่าทุกกดเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอาบัต นวสังคหวักที่ห้าจบหัวข้อประจำวักอัปโลกณกรรมยติกรรมยัติทุติยกรรมยัติจัตุธกรรมวัตุยติอนุสาวนาสีมาบริษัทพร้อมเพรียงสอบถามปฏิญญาควรสติวินัยวัตุสงบุคคลยติตั้งยติภายหลังวัตุสง์บุคคล สวดประกาศสวดในการไม่ควรสีมาเล็กเกินสีมาใหญ่เกินสีมามีนิมิตขาดสีมาใช้เงาเป็นนิมิตสีมาไม่มีนิมิตอยู่นอกสีมาสมมติสีมาสมมติสีมาในแม่น้ำในทะเลในสะเกิดเองคาบเกี่ยวสีมาทับสีมาด้วยสีมากรรมที่สงจะตัววักพึงทมกรรมที่สง์ปัญจะวัคพึงทำ กรรมที่สงทัศวัคพึงธรรมกรรมที่สงวิสติวัคพึงธรรมไม่นําฉันทะมานําฉันทะมาผู้เข้ากรรมผู้ควรฉันทะผู้ควรแก่กรรมอปโลกะณกรรมห้าฐานะยติกรรมเก้าฐานะยติทุติยกรรมเจ็ดฐานะยติจตุทักกรรมเจ็ดฐานะยอมรับว่าดีความผาสุขบุคคลผู้หน้าด้านภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักอาสวะ เวรโทษภัยอกุสนธรรมครหัดผู้ปรารถนาเลวทรามชุมชนผู้ยังไม่เลื่อมใสชุมชนผู้เลื่อมใสแล้วความตั้งอยู่แห่งพระสัตธรรมเอื้อเฟื้อพระวินัยป า, ปาติโมกุเทศงดปาติโมกงดปวารณาตัชนิยกรรมนิยสกรรมปปพาชนิยกรรมปฏิสารณียกรรมอุเคปณิยกรรมปริวาทออาบัตเดิม มานัตอภานโอสารนานิสารนาอุปสมบทอัปโลกณกรรมยติกรรมยติทุติยกรรมยติจตุทักกรรมยังไม่ได้ทรงบัญญัติทรงบัญญัติซ้าสามูขาวินยัยสติวินยัยอมูลหาวินยัยปติ ญ, ญาตะกระณะเยพุยสิกาตาสปาปิยสิกาตินวัารกะวัตุวิบัติอาบัต นิทานบุคคลขันสมุทฐานอธิกรสมถะสังหะชื่ออาบัต ด, ดังนี้แลคัมภีริวานจบ ปริโยสานคาถาก็พระวินัยทรผู้เรืองนามมีปัญญามากทรงสุตะมีวิจารณญาณถามแนวทางของท่านบรุรพาจารย์ในที่นั้นๆคิดแล้วให้เขียนข้อพิสดารและสังเขนี้ไว้ในสายกลางตามแนวทางที่วางไว้ซึ่งจะนำความสะดวกมาให้แก่เราสิทธิ์คำพีนี้เรียกว่าปริวานมีทุกเรื่องพร้อมทั้งลักษณะมีอัดโดยอัดในสัตธรรม มีธรรมโดยธรรมในบัญญัติห้อมล้อมพระศาสนาดุษสาครล้อมรอบชมพูทวีปฉะนั้นพระวินัยทรเมื่อไม่รู้คำภีร์ปริวารฉไห น, นจะวินิจฉัยธรรมได้ความเคลือบแคลงของพระวินัยทรที่เกิดในวิบัติวัตถุบัญญัติอนุบัญญัติบุคคลเอกโตบัญญัติปุพโตบัญญัติโลกวัชชะและปัญญัติวัชชะ ย่อมขาสิ้นไปด้วยคำภีปริวานพระเจ้าจากักรพรรดิสง่างามในกองทัพฉั้นใดไกรสอนสง่างามในถ้ำกลางฝูงมรึกชั้นใดพระอาทิตย์แผ่ซ่านด้วยรัศมีเจิรจ้าฉั้นใดพระจันทร์ส่งสว่างงดงามในหมู่ดาวฉั้นใดพระพรหมสง่างามในหมู่พรหมฉั้นใดท่านผู้นำสง่างามในถ้ำกลางหมู่ชนฉั้นใดพระสัตธธรรมและพระวินัย ย่อมสง่างามด้วยคำภีบริวารฉันนั้นแหละจบบริบูรณ์